ซึ่งส่วนใหญ่ถ้าถึงขั้นนี้นี่มักอยู่กับพวกเราไม่ได้แล้วถึงขั้นหลุดเป็นกายกรรมออกมานะเพราะฉะนั้นอั น, นเนี้ยก็พยายามพูดสภาวะหรือว่าขั้นตอนให้ฟังซึ่งต้องฝึกจริงๆนะตอนนี้อยู่ดีๆเนี่ยให้คุณไปเที่ยวบอกใครต่อใครเขาแล้วก็เอาเลยนะติพนได้ว่าดิฉันได้นะอะไรต่ออะไร ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครก็จะมาให้คุณเลยอ่ะมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะยกเวน้นว่าโอ้โหคุณไปทําเลี่ยลาดไปเยอะเลยนะไปไปที่ไหนก็ไปทําบกป้องที่นั้นไปไหนไปทำบกป้องที่นั้นเออพอขอปั๊บก็ได้ปุ๊บเลยทันทีแหละแต่ถ้าบางทีเราก็ไม่ได้ถึงกันขนาดนั้นเพราะบางทีขออย่บางคนเขายังไม่ทันนึกนะก็ยังไม่ทันให้เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่พาขอแล้วเราก็จะได้เลย วันคราวนี้เนี่ยอยู่ที่เราเราเองเนี่ยบางครั้งโอ้โหจะไปรอคนติคนว่าเราเลยทีเดียวมันไม่ง่ายเหมือนกันเพราะจะไปเอาอย่างนั้นเลยทีเดียวบางทีไม่ทันการเพราะอะไรอ่ะที่บอกว่าไม่ทันการเพราะอะไรเพราะพอติมาแล้วเราก็รับไม่ได้อะ่ะมันไม่ทันการแล้วคือมันมันมันไม่มีตัวอย่างหรือไม่มี ประสบการณ์ให้เราฝึกพอนะเพราะว่าอยู่ดีๆจะมาหาหาคนแล้วก็มาติเราติเราติเร า, าให้เราได้ฝึกออมันไม่ง่ายเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่ามันอันนั้นเราก็อาศัยแบบธรรมชาติใช่ไหมเราก็ปวาวนาไปแล้วแหละแต่ว่าวันไหนเนี่ยเขาเออเห็นความบกพร่องเราเขาก็ถึงติเขาถึงว่าเราซึ่งบางทีมันมันน้อยไปมันช้าไป มันไม่ทันให้เราฝึกทุกๆุกวันได้เพราะจริงๆนี่มันต้องฝึกนะเพราะฉะนั้นบางทีก็เลยไม่รอไม่รอให้คนปติมาว่าเราอันนี้อาจมาพูดบ่อยโดยที่คราวนี้คุณฝึกจากวัตถุจากข้าวของจากอะไรก็ได้คุณฝึกดื่มคำดำหนีได้แม้ว่าไม่ได้จากคนอย่างเงี้ยแต่คุณฝึกได้เหมือนกัน อาจจะไม่โดยตรงแต่โดยอ้อมคุณได้ฝึกอยู่เหมือนกันโดนติอย่างเช่นถ้าฝึกกับเสื้อผ้าเป็นยังไงเสื้อผ้าประเภทไหนถึงจะสอดคล้อยอสอดคล้องกับคาดำหนิเสื้อผ้าประเภทไหนฮะเสื้อผ้าประเภทไหน เสื้อผ้าประเภทที่เราไม่ชอบไง <c oughs> คือจะไม่บอกว่าสีนั้นสีนี้ไม่ได้อะ่ะเพราะแต่ละคนชอบสีไม่เหมือนกันถูกไหมหรือบอกลวดลายอย่างนี้แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น <c oughs> พูดโดยอง์รวมก็คือเสื้อผ้าที่คุณไม่ชอบนั่นแหละนั่นแหละเป็นเสมือนคํำนาหนีที่คุณจะได้ <c oughs> หัดใสซะบ้างที่ก็มีในตู้เราเองนั่นแหละแต่เราไม่ค่อยชอบตัวเนี้ยไม่ค่อยชอบเลยนั่นแหละหัดเอามาใส่นะใส่เลยใส่ บ, บ่อยๆ คุณใส่เสื้อผ้าที่คุณไม่ชอบเนี่ยทุกครั้งที่คุณใส่ไปคุณจะรู้สึกยังไงไม่ชอบถูกไหมล่ะเวลาคุณใส่เข้าไปคุณก็แหมไม่ค่อยชอบเลยคุณก็มักจะติใช่ไหมติตรงนั้นติตรงนี้สีอย่างนี้ไหมไอ้ไอ้เนื้อผ้าแบบนี้นั่นแหละตอนที่คุณใส่เสื้ออย่างนั้นเข้าไปปับ๊บตัวจิตเลยสิความไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วตรงไหงายว่อ ง, ง, งอแล้วคุณก็ปรับ หาเหตุผลที่ดีใช้ปัญญาเนี่ยวิปัสสนานะหาเหตุผลที่ดีกว่าที่ถูกต้องกว่าที่เหนือกว่าเนี่ยเข้ามาปรับเข้ามาแก้เข้ามาล้างเหตุผลที่ไม่ดีที่เราเนี่ยไปยืดยึดเอาไว้ล้างออกไปล้างออกไปนี่แหละเนี่ยคุณกาลังฝึกละเพราะเนี่ยใครไปฝึกอย่างนี้ไว้เรื่อยๆน ะ, ะบางทีเนี่ยเรื่องใส่เสื้อผ้าคงจะพอเข้าใจแล้วนะว่าเราก็ไปฝึกปรับจิตในขณะที่เราใส่ปั๊บ ฝึกว่าเออมันก็ใส่กันร่อนกันหนาวนะจริงๆมันก็เออเราใส่ไปเดินก็ไม่เห็นมีใครว่าใส่ละน่าเกลียดอะไรก็ไม่เห็นมีใครก็พูดอะไรเลยไม่เห็นมีใครเขาว่าอะไรเลยแต่เรารู้สึกไม่ชอบเองอ่ะใช่ไหมใช่ไหมแล้วเราคราวนี้เราก็ฝึกปรับจิตเราฝึกปรับจิตเราท่านคนเนี้ยเริ่มแล้วนะทำจากลากเง้าก็คือจิตจิตของเราเป็นลากเง้า เป็นตัวการเป็นตัวการสำคัญของความที่เรียกว่าจะเกียดนะหรือไม่เกียดจะเป็นขุมทรัพย์หรือว่าจะเป็นลูกระเบิดอ่าอันนี้อยู่ที่จิตเราวันพอเราเนี่ยใส่เสื้อผ้างี้ปั๊บเราก็ปรับจิตเราทำใจเราได้คุณก็เริ่มดื่มคำตำหนิได้และคุณเริ่มละคุณเริ่มหัดดื่มคำตาหนิได้ลว คนที่ฝึกปรับจิตอย่างเี้อาไว้ฝึกปรับจิตอย่างเงี้ยวไว้ครงงววาวนี้เนี่ยคุณไปเจอคนดุคนดา่าคนว่าบ้างก็งเหมือนกันแหละไม่ต่างกันตรงไหนบ้างแหละก็เกิดความไม่ชอบขึ้นมาเหมือนกันถูกไหมเออพอเกิดความไม่ชอบขึ้นมากูก็อ๋อก็เราฝึกมาแล้วอะ่ะกูก็ปรับซิเออนั่นแหละเพราะนั้นเคยพูดให้ฟังว่าจะเรื่องเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ ก็หัดบ้างอะไรไว้อยากจะใช้บางทีอ่ะซื้อก็ซื้อมาแล้วอ่ะบางทีแต่แล้วมันก็ใช้ได้ก็หัดใช้ซะบ้างแม้ไม่ถูกใจไม่สมใจก็หัดใช้ในขณะที่หัดใช้ก็หัดปรับจิตเราว่าเออจริงๆมันก็ดีนะมันก็ใช้ได้มันก็เป็นประโยชน์นะเออก็ปรับจิตไปพอปรับอย่างนี้ได้มันก็กลายปเป็นคุ้มรัพย์เลยตอนนี้ไอ้สิ่งที่เราไม่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจนั้น กลายเป็นคุณค่ากลายเป็นประโยชน์ของเราคือกลายเป็นกลุ่มทรัพย์ของเราทันทีเนี่ยใครมันฝึกอย่างนี้ฝึกอย่างนี้อาตมาบอกคุณได้เลยคุณไปเจอใครดูใครด่ายค่ว่าคุณจะปรับได้ง่ายคุณจะปรับได้เร็วเพราะคุณเพราะคุณฝึกมาแล้วนะอันนี้ฝากไว้นะแม้แต่เรื่องกินบางทีกันได้อยู่บ่อยๆนะ บอกอยู่ให่บ่อยเรื่องกินเนี่ยกินของที่ไม่ชอบอะไรต่ออะไรฝึกเหมือนกันเลยน่ได้ปรับเหมือนกันนะพยายามพูดมาถึงตรงนี้อาตมาคิดว่าพวกเราคงพอจะเข้าใจได้นะซึ่งถ้าใครเข้าใจอันนี้ได้เนี่ยคุณไม่ต้องรอใครมาด่าก็ได้คุณฝึกได้เลยเพราะฉะนั้นสังเกตไหมบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีใครมาติมาว่านะแล้วเขาก็ใจเย็น เขาก็ใจเย็นเพราะอะไรเขาก็ฝึกจากวัตถุจะเข้าวองจากอะไรอื่นเขาฝึกมาทุกๆวันจนกระทั่งเขาเขาคุ้นเขาเคยชินฮอนพอโดนใครตีใครว่าเขาก็ปรับได้อะไม่ต้องจําเป็นว่้องต้องคิดแต่ว่าจะฝึกรับลูกติให้ได้ก็ต้องฝึกกับคนเพียงอย่างเดียวไม่จําเป็นหรอกได้ยิ่งถ้าคุณมีภูมิปัญญาคุณรู้จักคิดแล้ว โอ้ยไม่ต่างกันหรอกเพราะมารวมลงที่จิตของคุณเหมือนกันอาตมาถึงเคยบอกเอพูดให้พวกเราฟังมาแล้วยังที่บอกว่าสมมติถ้าอาตมารวมรวมการปฏิบัติเข้ามาเนี่ยเออบอกไปแล้วนี่นะที่บอกว่าเหลือเหลือแค่ดูดกับผักเท่านั้นนี่ยแล้วคุณฝึกปฏิบัติคุณทําใจได้แค่เรื่องดูดกับผักแค่เนี้ยคุณฝึกปรับจิตคุณทําได้เนี่ย อาตมาว่าจบคุณสามารถบรรลุทําได้ถึงที่สุดถ้าคุณเอาไปฝึกจริงๆนะกับเรื่องอะไรก็ได้ในชีวิตประจำวันคุณอะเรื่องการงานเรื่องกินอยู่รับนอนนะเรื่องเสื้อผ้าเขาขาองเครื่องใช้คุณเอาไปใช้ได้เลยถ้ารู้ว่าอะไรดูดรู้ว่าอะไรผักแล้วคุณก็ปรับปรับจิตปรับจิตของคุณอย่างเมื่อกีที่บอกอะ่ะสมมติเราเกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาใช่ไหมโดนใครติโดนใครว่ามาเนี่ย ไม่ชอบใจจับอารมณ์เราก่อนนี่คืออารมณ์ไม่ชอบใจอารมณ์ไม่ชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ควรจะเก็บไว้ไหมก็ไม่ควรนี่เนี่กำลังปรับแล้วนี่เนี่ยเ น, นคือกลาลังปรับแทนที่จะไปคิดเอาว่ามันทุกข์มันลําบากมันอึดอดัดมันอะไรอ่ะแก่แค้นล้งแค้นเขาดีกว่า อา้าวเราก็จับได้อยู่แล้วนี่ก็โอ้โหนี่ทุกข์จะแย่อยู่แล้วอึดอัดจะแย่อยู่แล้วอ่ะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ย น, นี่มันไม่ควรเอาไว้เลยอนะนี่นี่คือเหตุผลถ้าใช้ภาษาง่ายๆนี่คือเหตุผลแต่จริงๆคือวิปัสสนานะคือการพิจารณาว่าเอ้ยนี่มันเป็นทุกข์เราก็ไม่อยากมีทุกข์เอาไว้นะเสร็จแล้วก็เราน่าจะมีสุขมากกว่าถูกไหมชีวิตคนเราอ่ะน่าจะเป็นสุข มันเรื่องอะไรจะเก็บทุกข์เอาไว้ก็เอาทุกทิ้งไปสิเอาสุขเข้ามาเพราะฉะคนเข้ามาว่าเรามาติเรานะอย่างงั้นอย่าง น, น, างนี้ถ้าถูกต้องถ้าถูกต้องเอา้าเราผิดจริงๆเอา้าเราก็ยอมรับมาแล้วก็แก้ไขเราก็ไม่ทุกข์อะไรแต่ถ้าพอเขาติมาปั๊บเราไม่ชอบใจอึดอัดขาดเครืองเอ้ยไม่เอาฉันไม่ยอมต่อให้ถูกเราจะฉันไม่ยอมอะ อย่างเงี้ยนั่นมันจะไปแก้ไขยังไงแล้วก็แบกไอ้ไอความทุกข์นั้นเอาไว้แบกความไม่ชอบใจนั้นเอาไว้อย่างเงี้ยคนที่ไม่ได้ปรับมันปรับเนี่ยปรับที่จิตเราและไม่ใช่ไปคิดเหตุผลใหม่เพื่อที่จะเถียงกับเขาถ้าเขาแพ้แล้วแล้วเราถึงจะเป็นสุขอย่างเงีมัไปปรับคนอื่นแล้ะแต่มันปรับคนอื่นไม่ใช่ปรับตัวเองการที่คิดเหตุผลขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเถียงคนอื่นให้เอาชนะ แล้วเราก็จะได้สบายใจเพราะเราชนะสมใจแล้วละ่ะสะใจแเราละอันนี้ไม่ได้แก้จิตนี่ไม่ได้แก้จิตอันนี้กลับกลายเป็นทําให้กิเลสยิ่งเพิ่มเพียงแต่ว่ามันไม่ทุกเพราะว่าสะใจละสมใจแล้วก่อ น, นี้กลายมาเป็นตัวดูดที่ยังคงทําให้ทุกตอนแรกเนี่ยเป็นตัวผลักทําให้ทุกใครมาติมาว่าเราเนี่เป็นตัวผลัก แล้วเราไม่ชอบใจก็เลยทำให้เราทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าตัวผลักทำให้ทุกข์แต่พอคราวนี้เขาด่าเรามาเราด่าเขากลับแรงกว่าที่เขาด่ามาสมใจเราเป็นสุขแต่สุขแบบฮนะสู่แบบสนองกิเลสเรานะอันนี้เป็นตัวดูดตัวดูดแต่ตัวดูดนี่ก็จะต้องทาให้ทุกข์อีกเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อ ข่าไหนไม่สนใจก็ถูกเพราะว่ายังยังยังมาอยู่กับเรื่องดูดูผลักอยู่นั่นแหละใช่ไหมมันยังสลัดไม่หลุดจิตใจสลัดไม่หลุดจากการดูดการผักเพราะนั้นเราเนี่ยผักซึ่งเป็นกิเลสเนี่ยเราก็ไม่เอาดูซึ่งเป็นกิเลสที่ต้องสะใจต้องสมใจอย่างนั้นเราก็ไม่เอา จิตเรามัถึงจะนิ่งได้มันถึงจะสงบขึ้นมาได้โดยวิปัสสนาโดยใช้สติปัญญาของเราเนี่ยคิดจะใช้คําว่าเหตุผลก็ตามคิดขึ้นมาเปรียบเทียบขึ้นมาอุปมาขึ้นมาจนกระทั่งเรียกว่าเออมันคลายมันจางลงไปได้แล้วเหตุผลนี้ก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้องเดยนะไม่ใช่เหตุผลโมเมอะไรขึ้นมาใช้ไม่ใช่ เป็นเหตุผลที่ถูกต้องด้วยที่มาทำให้จิตเราเนี่ยมันจางคายจากไอ้ที่เราไปยึดตัวดูดหรือว่าตัวผักนั้นเอาไว้มันก็จางลงพอจางลงได้เราก็สบายใจก็ผ่องใสขึ้นมาเนี่ยแหละเนี่ยเป็นวิธีปรับจิตส่วนปรับจิตแบบสมถะอันนั้นไม่ต้องพูดถึงปรับจิตแบบสมถะก็คือไม่คิดอะไรเลยไม่รู้ละเองจะดูดเองจะผักอะไรก็ช่างหัวเองนะ ข่าไม่คิดอะไรอะสมมติว่ามีคนมาด่าเราเงี้ยยังจะด่าอะไรก็เรื่องของเอ็งนะด่าไปด่าไปแล้วเดี๋ยวเอ็งเมื่อเองก็หมดแรงไปเองะนะด่าไหมไม่สนใจถ้าจะด่าอะไรก็ช่างคืออย่างนี้แบบสมถะคือไม่ใส่ใจเลยไม่สนใจเลยได้ยินนะว่าเขาด่าอะไรได้ยินแต่ไม่เอามาปรุงไม่เอามาคิดอะไรทั้งสิ้นดีก็ไม่คิดเลวอะไรก็ไม่คิดไม่คิดทั้งนั้น นี่คือสมถะซึ่งอย่างมันก็ทำให้คุณสบายได้เหมือนกันนะแต่ไม่มีสมองไม่มีสติปัญญาเพิ่มก็สบายแบบเหมือนอะไรนะเสาเนี่ยมันสบายะนะคุณเดินไปเตะมันหรือคุณยาวคอนไปทุบมันมันไม่รู้สึกอะไรนี่มันเป็นเสาต้นหนึ่งเอ้ มันก็สบายเข้มามมันก็ไม่โกรธมันก็ไม่เกลียดอะไรคุณแล้วมันก็ไม่รักอะไรคุณด้วยนั่นแหละคือเสาิาธรรมชีวิตเป็นเช่นเสา <c oughs> แล้วอย่างกินคลเรามันมันมีคุณค่าอะไรกว่า น, นั้นเราควรที่จะมีคุณค่าของความดีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักแยกแยะจะต้องรู้จักพิจารณาเพราะฉะฉนั้นถ้าเป็นศาสนาพุทธไม่เป็นแบบฤษีจะต้องโน้มจิตมาในทางที่ดี พอเราแยกแยะเราพิจารณาได้แล้วเราก็ปรับจิตเราปรับมาในทางที่ดีไม่ใช่ปรับแบบเฉยๆไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรใครจะเป็นจะตายใครจะเดือดร้อนใครจะมีความสุขอะไรเรื่องของเขาฉันไม่สนฉันไม่เกี่ยวอันนั้นมันลือสีแต่ของพุทธนี่อยู่ร่วมกับผู้คนรู้ใครสุขใครทุกยังไงช่วยเหลือเขาได้ช่วยแต่ไม่ใช่พอไปช่วยเขาแล้วเนี่ย เขาทุกข์ก็เราก็เลยไปทุกข์ตามเขาไม่เขาทุกข์เนี่ยเราช่วยเขาแต่บางทีก็ช่วยสาเร็จบางครั้งก็ช่วยไม่สาเร็จเขาก็ยังคงทุกข์อยู่แต่เราไม่ทุกข์ด้วยนะอันนี้ น, นี่คือความแตกต่างของศาสน า, ศาถ้าเป็นศาสน า, า, าพุทธแล้วเขาถึงใช้คำว่าอยู่เหนือโลกแต่ไม่หนีโลกเนี่ยพ่อท่านจะพูดคำนี้บ่อยว่าอยู่เหนือโลกแต่ไม่หนีโลก ก็อยู่อยู่กับผู้คนนี่แหละ น, นแต่เราปรับจิตปรับใจเราได้ทำให้เราไม่ทุกข์หรือผู้อย่างก็คืออยู่เหนือทุกข์ทั้งทั้งที่จริงเราเนี่ยจะต้องมีทุกข์อยู่เสมอนะแต่ไปๆมาๆ เ, เราสามารถอยู่เหนือทุกข์ได้สามารถปรับจิตปรับใจเราจนเราไม่ต้องไปทุกข์น ะ, ะวันนี้ก็เนี่ย พูดสิ่งเหล่านี้ให้ฟังเพื่อที่เราจะได้ไปใช้กับชีวิตจริงๆอัตมาอยากแนะนำพวกเราว่าฟังธรรมะไปแล้วพยายามอยากจะขอร้องว่าเอาไปพิจารณาให้ใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันคุณบางคนยังกระจำได้สูตรนั่นสูตรนี้แต่ไม่ได้เอาไปใช้คุณจำได้ทนะเอาไว้ตอบคำถามเผื่อใครถามจะได้ตอบได้ แต่คุณใช้ไม่ได้คุณใช้ไม่เป็นเพราะฉะคุณจําคําตอบไม่ได้นะว่าสี่ข้อห้าข้อนี้เป็นอะไรคุณจําไม่ได้นะแต่คุณใช้เป็นในชีวิตคุณอันนี้ดีซะกว่าอีกถ้าให้เลือกนะอันนี้ดีกว่าคุณกับจะพ้นทุกได้คนมาถามคุณไม่ยังไงเนี่ยเวลาจะรับลูกแล้วจะจะทําจิตทําใจยังไงคุณก็ไม่รู้นะว่าจะตอบเขายังไงนะแต่คุณรู้อยู่แต่ว่า โดนด่าแล้วเนี่ยคุณปรับจิตอย่างเงี้ยแล้วคุณก็หายอ่ะอ่แต่ไม่รู้ว่าจะอธิบายเขาอย่างไงคุณอธิบายไม่เป็นแต่คุณทําได้จริงๆคุณกับพ้นทุกได้อันนี้ยังจะดีสักว่าแม้ว่าจะบางทีอธิบายคนไม่เป็นซึ่งอันนี้ก็มีความเป็นจริงอยู่นะที่แม่แต่ต่อให้เป็นพระลับอรหันต์ก็ตามบางรูปท่านก็ไม่รู้จะไปแนะไปสอนคนยังไง ให้ให้ให้เข้าใจหรือว่าให้บรรลุได้แต่ท่านบรรลุแน่ท่านบรรลุแล้วมีนะซึ่งบางทีเขาก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพวกปัจเจกเป็นพวกอะไรเงี้ยคือรู้ตัวเองรู้ทําได้แต่บางทีไม่รู้จะอธิบายยังไงให้คนอื่นเข้าใจได้เหมือนกับบางคนเโอ้โหเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรแบบแบบไอสไตล์ le, แบบอะไรพวกเนี้โอ้โหเก่งมากเลยนะ แต่บางทีบางคนเขาไปเรียนด้วยแล้วบอกก็ไม่รู้เรื่องดอกตงด็อกเตอร์อะไรบางทีโอ้โหเก่งมากเลยนะไหนคิดอะไรต่อแรมาได้แต่พยายามมาสอนคนคนฟังไม่รู้เรื่องเลยมันก็จะมีอย่างเงี้ยนะเพราะอันนี้อยากจะฝากเราประเด็นนี้มากๆเลยเพราะว่าถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้ได้แล้วเราไปฝึกฝนเราเองได้เนี่ยนะฟังทาแล้วมันจะไม่สูญเปล่าไม่อย่างนั้นแล้ว ฟังทำไปฟังฟังฟังจําได้เยอะแยะแต่พอเวลาทุกข์เกิดขึ้นไม่รู้จะทํำไงก <c oughs> ็ <g ülme> ยังคงทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละอย่างนี้ใช้ไม่ได้เราฟังทำเอาไปพิจารณาไปฝึกกับชีวิตจริงๆเราแล้วคุณสามารถใช้ได้ตลอดเวลาพอ ถ, ถึงถึงถึงต้องพยายามถามว่าคุณเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วหรือยังธรรมะเนี่ย ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณเอาไปใช้ได้หรือย่างคุณจะมีหน้าที่การงานคุณจะอยู่ยศชั้นตาแหน่งอะไรคุณจะเป็นคนประเทศไหนคนชาติไหนก็แล้วแต่คุณจะไปใช้ได้อย่างในชีวิตจริงคุณเพราะจริงๆมันใช้ได้กับทุกเรื่องแหะถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณใช้ได้กับทุกเรื่องแล้วคุณจะพ้นทุกในทุกเรื่องด้วยถ้าคุณเอาไปใช้ได้เป็นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้นะให้ลองไป นอนคิดดูสินะเป็นการบ้านว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้แล้วหรื อ, อยังหรือใช้แล้วเนี่ยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แลกกี่มากน้อยเพียงพอที่ที่คุณธรรมก้อนเนี้ยนะพอที่จะดับไฟทุกของคุณได้หรื อ, อยังถ้ายังน้อยอยู่แสดงว่าโง่เรายังฝึกฝนไม่พอ ต้องฝึกฝนมากขึ้นไปอีกนะคุณธรรมก้อนเนี้ที่เรารู้แล้วเราเราไปใช้ในชีวิตจริงๆของเราโอ้มันโตพอมันก็ดับทุกคุณได้จริงๆด้วยแล้วเรื่องอะไรที่กัร้มกายมาในชีวิตคุณหรือคุณไปเจอวิบากกรรมอะไรก็แล้วแต่คุณผ่านพ้นได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องไหนผ่านพ้นได้ทุกเรื่องเพียงแต่สะบักสะ บ, บอมหรือเล่าแล่ปางตายเท่านั้นเองนะอยู่ที่ว่ามันเป็นกรรมหนักหรือเ่าเท่านั้นแหละ แต่จริงๆก็เราต้องผ่านได้ทุกเรื่องนะอ่าววันนี้คงฝากไว้เท่านี้นะ